ถ้าเรารู้ทันจิตแล้วก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเรารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันจิตก็เป็นอกุศลหลวงพูดูลเคยหลวงปูดุลท่านไม่ได้หลวงปูดูลท่านเคยสอนอวันนี้มีมีอุปสรรคนิดหน่อยนะธรรมดาชีวิตกับอุปสรรคเป็นของคู่กันนะชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กัน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 ตรงเนื้ดีเหนือชั่วเนี่ยไม่ใช่ทําให้เราเป็นชั่วได้นะดียังไม่เอาเลยเนย่าบ้าแต่จะเอาชั่วเลยนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยเราฝึกไปเป็นลำดับลําดับเบื้องต้นรักษาสีวนนาาไว้ก่อนมีสีห้าอย่างต่ำไม่ทาชั่วต่อมาเราก็มาหาัดทำความดีทําทานซื้อศีลหัดทาความสงบจิตใจจิตใจของคนเราเมีแต่ความเร่าร้อนกุ้งต้านกุ้งต้านจะเละ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 ระเสถื่นอีกเนี่ยธรรมชาติทั้งหลายคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งวนเวียนหาความสุขวิ่งวนเวียนหนีความสุกข์ด้วยวิธีแค่นี้เองหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหรือรักษากายรัากษาใจให้เรียบร้อยหรือหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ทําได้สามแบบรักเงาของความปลุงแต่งสามแบบนี้อันเดียวกันคือความเห็นผิดว่ามันมีตัวเรา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 คล้ายๆกับรู้ทันแล้วว่าทรัพสมบัติหรืออย่างโลกงา่อเนจีวรเ น, นี่ยรู้แล้วว่าไปขอยืม้ามาใช้แต่หวงะไม่คืนนะพระโสดาบันรู้นะว่ากายนินใจนี้เป็นของยืมโลกมาใช้แต่ห่วงไม่ยอมคืนรู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ห่วงเอาไว้นี่พออ่านเจริญสติมากเข้ามากเข้าได้เป็นพระสกิทาคา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 ที่ฉลาแล้วแว บ, บรู้สึกแว บ, บรู้สึกกพราสติเร็วนั่นเองพราะสติว่องไวม้สมาธิก็มาจากเพราะมีสติว่องไวใจเผลอไปหลงไปตามกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นไปหรือหลงไปในโลกของความคิดจะรู้เร็วเพราะรู้เร็วจือกิเลสเบาบางเพราะว่ากิเลสไม่ทันงอกงามเป็นกิเลสตัวใหญ่ท่านถึงบอกว่าพระศริฐาคากิเลสเบาหวา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 อันแรกเลยอารมณ์ของวิปัศสนาคือกายกับใจของเราเนี้ยกายกับใจธรรมดาธรรมดานี้แหละไม่ใช่เหนือธรรมดานะอันที่สองต้องเรียนก็คือวิธีที่เราจะรู้กายรู้ใจอย่างถูกต้องจะรู้กายรู้ใจถูกต้องได้ถ้าเราไม่เผลอไปที่อื่นสะใจลอยไปที่อื่นถ้าเราไม่ไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมดากายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกเอาจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเอารู้สึกไปตามธรรมชาติรู้สึกไปตามธรม ร, มธรมดา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 วิธีรู้กายของใจวิธีรู้กายรู้ใจก็คือรู้อย่างที่มันเป็นอยียบเผลอไปที่ออยืนซะอย่าไปนั่งเพ่งเงาเพ่งเงามันจะนิ่งปิดความเป็นจริงถ้าเผลอไปก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เพ่งไว้กายกับใจนิ่งปิดความเป็นจริงนี่ก็ใช้ไม่ได้ไม่เห็นของจริง อ, อันที่สามถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะต้องได้ผลลัพธ์ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือถ้าเรารู้กายรู้ใจถูกต้องเราจะเกิดปัญญา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 อริยสัจเนี่ยย่อๆลงมาถ้าฝ่ายเกิดนะก็อย่างที่หลวงพ่อบอกนั้นแ่ะยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นอะไเนี่ยย่อลงมาแล้วก็แค่นี้น ะ, น ะ, นะแต่ถ้าจะตัดสังสารวัตรแท้ขาดธรรมะฝ่ายวิวัตรรู้ทุกข์สมุทัยก็ถูกละนิโรธก็แจ้งงั้ น, ะนะ่อยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้ น, น, ะ, นะชาตินี้ทําไม่เสร็จไปต่อชาติหน้า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 ที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือไม่ถูกแถามแบบทีเด็ดเลยถูกไม่ถูกผมก็อบอกไม่ถูกหรอกเพราะยังทําอยู่เข้าใจแล้วก็แต่จแล้ ว, ลวหมดคําถามนล้วเข้าใจไหม <c oughs> ไม่เข้าใจ <c oughs> คือเรายังทําอยู่ส่วนมากเรายังทำํำเราคิดว่าการปฏิบัติแปลว่าทําการปฏิบัติจริงๆแปลว่าเข้าไปรู้เฉพา ะ, ะ ไ, ไม่ได้แปลว่าทํา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 อย่างความโลภความโกรธความหลงขุดขึ้นมายมไปดูกันนะอย่างเวลาความโกรธขุดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันว่าอ้อโกรธแล้วพอเราเห็นความโกรธเกิดหลายๆลยทีเราจะเข้าใจนะความโกรธมีลักษณะเป็นอย่างนี้เองเกนะิดมาเพราะเหตุนี้เกิดมาแล้วมีผลเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจกุศลทีละตัวทีละตัวนะ色色 LOOK, เวลากุศลเกิดเราก็คอยดูไปเราก็จะเข้าใจกุศลทีละตัวทีละตัวนะตามรู้ตามดูมากๆเข้าเราก็จะพบเลย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 เรื่ารเน่กาพัิี้นเราก็เไปว่าเะที่ประเไหนแล้วเราก็เล้ก็เราู้อยากว่อแยกนี้ให่าด่ว่าหลวงพ่็ม่รู้ก้องมหวมที่เขารู้กัอในมากเป็นาาแล้วรู้กับเพ่งนะเป็นสภาวธรรมที่ถ้าเรียนทีละคนสองคนนี่เรียนง่ายนะเราลองหักเพ่งดูโยมหลวงเพ่งหัวไม่มือตัวเองลองดูซิ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 อยากปฏิบัติแล้วก็เข้าไปเฝ้าเอาไว้จุดตั้งต้นก็ไม่เหมือนกันอาการของจิต ท, ที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันเวลาเราเพ่งเนี่ยจิตเราจะไหลลงไปรวมอยู่ที่อารมณ์มันนั้นเวลาเราสักว่ารู้เนี่ยคล้ายๆเราดูอยู่ห่างๆเห็นกายนี้เหมือนคนอื่นเห็นใจนี้เหมือนคนอื่นเราดูอยู่ห่างๆคนที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันถ้าเราเพ่งเนี่ยใจจะหนักหนั ก, นกแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึม ท, ทื่อๆถ้าเรารู้นี่ยใจจะรู้ตื่นเบิกบานสงบสาสว่าง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 จิตที่เป็นกุศลมีปากุณตาค่องแค่ว่องไวถ้าจิตเราซึมซึมทื่อๆ น, น, นะเป็นอกุศลแน่นอนยกสังเกตที่สภาวะที่เป็นเครื่องพิสูนว่าจิตเป็นลลกุศลหรืออกุศลคือมันมีเครื่องี่สูจได้นะอ้มเรียนรู้เือกุคนั้งแต่เราน้่ใรใช่ใ ช, ใช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 ให้เราทำอย่างเดิมหถ้าปฏิบัติอย่างไรต้องให้เราปฏิบัติเดิมแต่นี้แทางปฏิบัติที่ที่สุขข้อสุขขเองหรือว่าให้เราให้เรารู้แทนที่เราจะไปเ่งทีนี้ที่เราปฏิบัติเดิมเนี่ยคิดว่าเราจะไปปฏิบัตการเพ่งเราจะต้องเปลี่ยนในการครับคือตัวอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวสำคัญเท่าไหร่หรอกนะ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 ปัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญญาอันเดียวกันปัญญาก็คือรูปป้ความริมของกายของใจนี่แหละเพืานั้นเบื้องต้นใครถนัดอะไรก็ทำอันนั้นแต่ถ้ากรรมฐานเดิมที่ทำอยู่อึดอัดนะทำแล้วอึดอัดแสดงว่าไม่เหมาะกับเราไม่เหมานะกับจิตลองหากรรมฐานอื่นดูอากเรียนว่อค่ะาเรียนที่มีปฏิบัติพคือแ้วจมีบองพรว่ามีสติในทที่ทางตลอดเวลาให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 เป็นหนวดตลอดชีวิตไหมไม่มีนะเนี่ยคือความไม่เที่ยงของเขาใช่ใช่ดูจิตจริงๆคือดูจิตตสังขานเพราะงั้นในจิตในจิตตานุปัสสนานั่นจะพูดถึงจิตที่มีราคาจิตไม่มีราคที่จิตที่ประกอบจากสังขารทั้งหมดเลยแต่พอถึงธรรมานุปัสสนาเนี่ยถ้าเรียนขันห้าถ้าเรียนถึงวิญญาณขัน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 จะมองหน้าหลวงพ่อได้ชัดแว บ, บเดียวแล้วหน้าหลวงพ่อก็จะเบลอๆไปรู้สึกไหมลองจ้องหน้าหลวงพ่อดูรู้สึกไหมมันเห็นชัดได้นิดเดียวะแล้วมันไม่ค่อยชัดเราต้องดูใหม่ดูใหม่ถึงจะชั ด, ใ ห, ด, ใ, หดใหม่อันนี้ไม่ใช่ปฏิหารนะเราไปดูหมาดูแมวก็จะเห็นอย่างนั้นเหมือนกั น, น <c oughs> เพราะอะไรเพราะจิตมันเกิดแล้วมันดับจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตานะจิตเกิดที่หูดับที่หูหจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจ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 กายานุปัสสนาเป็นของพวกไม่แก่กล้าเวทนานุปัสสนาเหมาะกับผู้มีปัญญาแก่กล้าก็ยากกว่ากันเป็นคู่กู้เยปฏิบัติโดยดูองนะคะงยุบแล้วก็เสิีแต่พอตอนหลังเรูสภาวะ่ะก็ูแต่ว่าปติยังไม่ค่อยดีต้องก็ปีติมันเกิดด้สองานนะเกิดจากสมาธิอันหนึ่ง อีกงานนึงมันมีปัญญาขึ้นมามันก็มีปีติได้เพราะฉะนั้นปีติในพุทธชงเนี่ยป็นีติที่เกิดจากเรามีปัญญาส่วนปีติจากการเพ่งเกิดจากสมาธิเพราะฉั้นแต่เดิมปฏิบัติเราเพ่งเงาเพ่งเงาเพ่งท้องเนีเพ่งเท้าเพ่งท้องจิตเกิดปีติขึ้นมาอันนั้นปีตก็ถูกต้องแต่พอเรามาหัดเจริญสติเราไม่ได้เพ่งะปีติก็เกิดน้อยแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆนะ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 ก็จะขอถามเกี่กับเรื่องเรียนว่าการขึ้นขึ้นเท่าไรไม่ได้เลยแล้วถ้าดูเราเบาไม่ถูกต้องแล้วถ้าขอให้เบาเปเบาเกิออเบาผิดไปผิดนะคืออย่งนี้ฟังนิดหนึ่งนะถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซมทื่อๆแล้วก็ผิดแน่นอนเพราะว่าจิตที่หนักแน่นแข็งซึมซึ่งเกิดจากอกุศล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 คือเมื่อเราดูในผลินะครับของบริการแล้วสมาของราจะรู้ว่าได้ประมาณคืออากจารู้ตัวเอระเดหายแล้วก็นิ่งไปเลยนี่ย่อนมากใช่ไหมนิ่งไปเลยเหรอครับคือตอนนีเลยเลยารู้มากตอนเเราฟังงอย่กันชดต่อง่แต่ถ้าเราเคยทำอะไรมาแลรวใชก็จะรู้ว่าแอนต่าแวต่างกันอยู่ที่ัดยพระวานก็จะต่งั อ๋อนั้นไม่ใช่ว่าเราจเจริญนิพพานาอยู่เราเราไปเพ่งกายอยู่ถ้าเราเพ่งกายอยู่ก็เกิดอาการอย่างที่คุณบอกแต่ถ้าเราจะหาดรู้สภาวะนะเราก็ต้องส่อเม า, เ อ, าอย่างตกค่ำเราไหว้พระสวดมนมต์ทำสมาธิทํามสมาธิไม่ได้ทําเอาให้สงบแต่ทําส ม, มาธิเพื่อหาดสังเกตสภาวะเช่นใจเราแอบไปคิดเราก็รู้ใจเราไปเพ่งเราก็รู้ใจเราเป็นยังไงคอยรู้เรื่อยๆ แต่ไปสติจะเกิดในชีวิตประจำวันแต่ของคุณที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเราจงใจไปดูกายเราจงใจไปรู้กายาจงใจเป็นการไปเพ่งกายไว้ เ, เพ่งไปแล้วเกิดปิตนะิถึงจุดหนึ่งร่างกายหายไปเหลือแต่ จ, จิตอันเดียวเพอจิตอันเดียวมันอารมณ์มันละเอียดเกินไปสติตามไม่ทันก็าหายไปคนไหนล่าขะร<น>ูะ้ว่าจ<น>ิกรับ